เอาเวลาเวลาบางครั้งนะจิตของคนเรานี่นะถ้าเหตุถ้าเหตุของมันยังยังไม่ลงตัวมันมันไม่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยมันก็ไม่สงบไม่เป็นสมาธิเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องหาอุบายแก้ไขจิตเราซะก่อนพว้ขนาดพ่อละหันก็เป็นนะในสมัยก่อนอนะ่ะมันมีพระ อ, องค์หนึ่งพ ร, พระก็เป็นพระอรหันต์นะนะสามเณรก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแล้วก็ไปไปด้วยกันะไปด้วยกันแล้วก็แยกกันอยู่พอแยกกันอยู่ท่านอาจารย์ซึ่งเป็นพระเนี่ยก็เป็นห่วงลูกศิษย์ซึ่งเป็นสามเณรเนี่สามเณรจะอยู่ยังไงนาะทีนี้ท่านจะเข้านิโรธสมาบัติเข้าไม่ได้ เพราะว่าจิตมันไปผูกพันอยู่กับสัมมณีน่ะมันก็คิดอยู่เรื่อยอแต่สัมมณีนั่นน่ะพอแยกออกมาจากอาจารย์่ะสบายยังไม่ต้องดูแลขณะอาจารย์ด้วยเข้านิโรธสมาบัตสบายเลยทีนี้พอมาเจอกันบอกถามไถ่ายกันอาจารย์ก็บอกว่าโอ้เป็นห่วงสัมเณีนะเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้เลยแล้วสัมเณีเป็นยังไง โอผมสบายเลยครับผมเข้านิโรธสมาบัติทุกวันเลยว่ะนี่มันก็นมีผลต่อสมาธินิโรธสมาบัติเราอาศัยสมาธิเพราะฉะนั้นจะต้องแก้จิตเราซะก่อนต้องสอบสวนว่าเออวันเนี้ยจิตของเรายังมีเรื่องอะไรนะที่มันไม่ลงตัวค้างคางอยู่ในจิตใจไม่ต้องไปมุ่งที่ความสงบไม่ต้องมุ่งที่สมาธิแต่มุ่งมาสารวจ สำรวจดูพื้นฐานพื้นฐานของจิตใจว่ามีอะไรไหมที่มันค้างคาอยู่ในจิตใจมันเป็นศัตรูต่อความสงบเวลาเราจะจับจิตเรามาอยู่กับตัวเราไอ้สัญญาอารมณ์เนี่ยมันก็แวบเข้ามาแล้วก็ปุงแต่งไปเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมา เรื่องการเรื่องงานบ้านเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องเหตุการณ์เรื่องการกระทําของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเข้ามาอันนี้เราต้องใช้วิธีอบรมจิตนี่คือสอนจิตมันเรื่องอะไรอะ่ะเราก็ต้องจับจุดให้มันถูกนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกเลยอตีตังนานว่าขโมยยะนปฏิกังเขานาขตังเนี่ย มันก็ว่าอดีตมันผ่านไปแล้วอ่ะไม่ได้คิดถึงมันหรือแต่จะคิดถึงก็คิดถึงว่าจะเอาประโยชน์จากมันคิดง่ายๆว่าจะเอามาเป็นบทเรียนเอามาสอนตัวเองถึงมันจะผิดพลาดบกพร่องมันจะเลวร้ขนาดไหนก็ตามนะเราก็ต้องรู้วิธีที่จะแก้ไขจิตเราสอนจิตเราเอาอันนั้นมาเป็นเครื่องมือฝึกจิตเรา โอ้นี่นะถ้าหาว่ามันมีเรื่องราวมันผิดพลาดบกพร่องไปแล้วจิตของเราไม่สงบทีนี้ถ้าเราตั้งใจนะทีนี้ว่าเอาละจะแก้ไขมันถูกต้องขึ้นมาทีนี้มันคลิกมหาธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจากผิดพลาดาก็กลายเป็นถูกต้องแล้วจากอากุศลก็จะกลายเป็นอับเป็นกุศลแล้ว มันมันมันขึ้นอยู่กับว่าเหตุที่มันทำให้จิตของเราอ่ะมันไม่สบายอ่ะมันคืออะไรเราก็เลยจับจับเหตุมันซะก่อนแก้ไขตรงนี้ซะก่อนล้างตรงนี้ออกไปซะก่อนคือมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเร็วมันต้องคิดนึกปรุงแต่งไปเป็นธรรมดาสัญญามันก็ต้องไปจดจาเรื่องราวที่มันผ่านมา หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของอเครื่องใช้ไม้ซอ้อยเรื่องเหตุการณ์อะไรต่างๆทั้งนั้นแหละจิตมันก็ต้องไปจำเมื่อไปจำมาแล้วมันก็ต้องมาปรุงแต่งใหญ่ตัวสัญญาเนี่ยมันมันมันเป็นธรรมชาติทีนี้เมื่อรู้แล้วเนี่ยเราทำยังไงเราที่จะดับสัญญาให้สัญญาเบาลงลดลง หรือว่าพลิกจากสัญญาที่มันเป็นจดจำแต่สิ่งที่เป็นค่าศัตรูต่อใจอกลับมาเป็นเรื่องราวที่น้อมไปสู่ความสงบถ้าหาว่าแค่ตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกไอนี่เบาเลยนะไอสิ่งที่ไม่ถูกต้องทีนี้ ไอ้บางทีมันมันอ่อนแอแล้วจิตนี่ไปผูกไปผูกไปอยู่กับเหตุการณ์นั้นอ่ะมีเยอะนะที่มาที่นี่ท้งอยู่ที่สกล น, นครก็มีกรุงเทพก็มีนคนปรปฐมก็มีเวลาเข้ามาแล้วทีนี้ไอ้ก่อนจะมาเนี่ยมันก็มีเรื่องราวเยอะแยะที่ไปทำเอาไว้อ่ะมาที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงด้วย ผู้หญิงเกินส่วนใหญ่ก็มีเรื่องผู้ชายแก่ก็ไปเกี่ยวข้องมาตัวเองก็อ่อนแอยิ่งมันมีความไม่ถูกต้องอยู่ในนั้นด้วยจิตใจมันก็มันมันก็รู้สึกรู้สึกตาหนิตัวเองอ่ะทำแล้วก็ไม่สบายใจไม่ไปก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันก็มีรสชาติของมัน แรงดึงดูดมันก็มากกำลังใจที่จะต่อต้านต้านทานมันก็สู้ไม่ได้พอไปทำแล้วมันก็รบกวนจิตใจใจก็มาเศร้าหมอแพ้ อ, อีกแล้วแพ้ อ, อีกแล้วหุนคิดไม่รู้จะทำยังไงโอรอย่างนี้เราบอกว่าต้องเข้มแข็งแล้วเพราะว่ามันมันไม่มีทางแก้ไขในเมื่อผิด ลาดบกพร่องเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องมีทางเดียวคือต้องแก้ไขถ้าไม่แก้ไขมันเจริญไม่ได้จิตใจพื้นฐานทางจิตใจมันจึงสำคัญมันต้องเป็นฝ่ายกุศลฝ่ายถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องมาสารวจ ด, ดูพื้นฐานของจิตใจให้ถูกต้อง เป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายศีลเป็นฝ่ายที่มันเป็นคุณงามความดีอยู่กับบ้านกับเรือนก็ชีวิตดําเนินชีวิตถูกต้องดูแลพ่อแม่ถูกต้องดูแลครอบครัวถูกต้องทําหน้าที่ตัวเองถูกต้องเนี่ยมันจะมีความถูกต้องอยู่ในนั้นแล้วถ้ามีข้อผิดพลาดบกพร่องตกลงใจได้เลยเราจะแก้ไข พอเราตัดสินใจว่าจะแก้ไขให้มันถูกต้องให้มันดีขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะวางเลยนะมันมาอีกเอา้าก็จะแก้ไขทํายังไงดีที่สุดก็ทําได้แค่นี้ยจะให้ปฏิเสธว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่เคยทํามันเป็นไปไม่ได้จะให้ปฏิเสธว่ามันไม่มีมันไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่ใช่หรือจะเหมือนกับว่าย้ําอยู่ตลอดเลยโอ้ย ไม่น่าทำเลยเนี่ยถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นอ่ฉันคงใจสบายมากกว่านี้อันนี้กรณีที่มันติดทาดบกพร้องแก้ไขเอามันมาเป็นบทเรียนทีนี้อนาคตบางทีมันก็ยังไม่เกิดขึ้นเราก็กังวลไปกลัวไปหวั่นไหวไป เราก็ต้องสอนจิตเองว่ามันยังไม่เกิดขึ้นบางทีมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดก็ได้เนี่ยมันก็ต้องเนี่ยเราต้องสอนจิตตัวเองได้ด้วยเนี่ยมันต้องแก้พื้นฐานซะก่อน ห, หรือบางทีในชีวิตประจําวันของเราอ่ะโอ้โหเรื่องราวที่มันเข้ามาเยอะแยะเลยเรื่องการเรื่องงานเรื่องคนนั้นคนนี้เนี่ยมันไม่ลงตัวทีนี้พอไม่ลงตัวเนี่ยมันก็จะ เข้ามาที่จิตใจเราเข้ามาแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่ในจิตใจของเราสมาธิมันก็เลยไม่มีกําลังเราจะไปบังคับไปฝืนก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ยังไม่ได้แก้ที่เหตุของมันเราชีวิตของคนเรานี่นะมันก็เดินทางไปหาความตายกันทางนั้นอะ เดี่ยวมันก็ตายแล้วตัวเฉพาะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอายุมันก็มากขึ้นแล้วอีกไม่กี่ปีมันต้องตายแน่ๆ แ, แล้วเราจะทำยังไงกับชีวิตของเราเนี่ยให้มันอยู่ได้แล้วก็จิตใจเนี่ยมันจเจริญก้าวหน้าขึ้นไม่ต้องไปสนใจเรื่อง ือเสียงเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องเงินเรื่องทองอะไรละ่ะเอาแค่ว่ามีพอมีชีวิตอยู่ได้แล้วให้จิตใจมันจเจริญก้าวหน้าขึ้นเพราะว่ามันต้องตายแน่ๆแล้วหรือถ้าหาว่าต้องรับผิดชอบครอบครัวก็ให้มันมีชีวิตอยู่ได้แล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวไปได้ทำอะไรก็ได้ หน้าที่การงานอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่ามันมันสบายใจบางอย่างเราเราเราเคยทำได้แต่พอมันทำไม่ได้เนี่ยมันมันบีบคั้นจิตใจอะ่ะก็แสดงว่าช่วงที่เราทำไม่ได้เนี่ยเราต้องยอมรับความจริง เราก็หาห า, หากิจกรรมที่เราทำได้ที่เราพอมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่เรต้องพักพักสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราทำไม่ไหวจิตใจเราไม่มีกำลังหรือว่าร่างกายของเราไม่พร้อมอย่างนี้เราต้องกลับมากลับมาแก้จิตเราซะก่อน มาเตรียมความพร้อมพร้อมทางจิตใจถ้าจิตใจเราไม่พร้อมแลวอย่างอื่นมันก็ไม่พร้อมด้วยมันเคยมีนะครอบครัวหนึง่งเขาก็อยากให้ลูกเขาเรียนหนังสือแล้วให้จบลูกกำลังเป็นนักเรียนอยากให้เรียนจบแต่ลูกเนี่ยมันไม่ไหวค่ะเราะนั้นจิตใจมันอ่อนล้าไปหมดเลย คบเพื่อนผู้ก็พากันไปทำในทางที่ไม่ถูกต้องยิ่งอ่อนแอลงไปจิตใจอะ่ะดื่มเหล้ายาเสพติดเที่ยวกลางคืนหาทางออกที่ไม่ถูกต้อง การเรียนก็เรียนไม่ไหวเรียนก็ไม่ทันเพื่อนสุดท้ายก็ไปพึ่งสารเหล่าเนี้แกพ่อแม่เนี่ยตั้งเป้าจะให้ลูกเนี่จบเรียนจบปริญญาตรีให้ได้ยังไงต้องให้เรียนแต่ลูกเรียนไม่ไหวมันหมดสภาพแล้ว ก็มาหามาคุยด้วยหลายคนนะเราบอกว่าอ๋อเนี่ยจิตของเขาอ่อนแอต้องมาแก้ที่จิตซะกอนจะไปให้ได้อย่างใจพ่อแม่มันไม่ได้รอกพราเขาไม่พร้อมเนี่ยคนเราเกิดมามันก็มีโอกาสปิดพลาดบกพร่องเขาเกิดมาแล้วเป็นลูกเราเราเป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่ของเราก็คือประครับประคองเขา ดูแลเขามาทำยังไงอะ่ะเขายังจะกลับมาได้จิตใจมันมีกำลังขึ้นมาสามารถดำเนินชีวิตไปได้ถ้าจิตใจมันมีกำลังขึ้นมาแล้วก็ค่อยกลับไปเรียนก็ได้ส่วนในไอไปทำยังไงอัเนี้ย อันนี้เรื่องเรื่องของเขาแต่ว่าเรามีหลักว่าต้องให้จิตใจมันมีความพร้อมซะก่อนถ้าจิตใจไม่มีความพร้อมไปเรียนหนังสือมันก็ยิ่งอ่อนแอลงไปอะ่ะแล้ววิชาที่เรียนเนี่ยมันก็หลายวิชามันก็จะกดดันเพิ่มความกดดัน เพิ่มเรื่องราวเพิ่มปัญหาขึ้นมาจิตใจก็ยิ่งอ่อนแออ่อนล้าลงไปพอนั้นต้องหาทางปรับจิตตัวเองซะก่อนอย่างบางคนเขาก็เชื่อนะเอาลูกมาบวชก็มีนะเอาลูกไปอยู่วัดก็มีนะหรือไม่งั้นก็ออกไปทำอะไรก่อนชั่วคราวเพื่อทำให้จิต มีกำลังขึ้นมาสัก่อนหรือบางทีก็ทำความดีบางคนมาอยู่วัดก็มาช่วยการช่วยงานก็มีนะคือมันทาอย่างอื่นไม่ได้ภาวนาไม่ได้เราก็ไม่ว่าแต่ว่าทำยังไงจิตดีขึ้นมาก่อนเป็นผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีก็มาอยู่สักระยะหนึ่งช่วยทำงานอันนั้นบ้างอันนี้บ้าง ทำไปแต่เขาก็รู้สึกว่าจิตใจเขาสบายขึ้นการเรียนก็ดับดับไปถ้าเป็นการเป็นงานก็ต้องแบบเนี้ยในเมื่อมันไม่ไหวแล้วถ้าไปฝืนต่อไปอจิตใจของเราก็ยิ่งแย่ลงไปอ่ะเพราะใจของเรามันไม่พร้อมแล้วอ่ะนี่คือใจต้องยอมรับความจริงซะก่อนพอยอมรับความจริงได้แล้วทีนี้เราหาทางทําให้จิตเรากลับคืนมา ไอจิตเนี่ยนะบางครั้งมันอ่อนแอไปเนี่ยไม่ใช่มันจะอ่อนแอตลอดไปนะถ้าสร้างเหตุพอดีกับมันเนี่ยมันกลับคืนมาได้ทันทีเลยนะมันไม่ได้เสียหายไปไหนนะจิตเนี่ยตอนที่มันมีปัญหามีเรื่องราวกุ้มลุมเนี่ยเหมือนจะอ่อนแอเหมือนจะแย่นะแต่ถ้ามีเหตุที่พอดีที่จะทำให้จิตกลับคืนมามันก็กลับคืนมาเป็นปกติได้ แล้วสามารถที่จะทําให้มันพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ความพ้นทุก์ได้ด้วยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเราจะไปยึดติดอยู่กับไอ้ไอ้ความไม่สบายใจอยู่ในปัจจุบันนะ่ยมันไม่ได้เนี่เมื่อปีที่แล้วนี่ก็มีมีทั้งผู้หญิงอานอานรู้สึปีก่อนนะผู้ชายเนี่ยมาปรับจิตอย่างงี้แหละมาปรับพื้นฐาน กลับไปแล้วดีขึ้นก็มีบางคนกลับไปแล้วหนักกว่าเก่าก็มีเอออันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ว่าเออแล้วแต่กรรมของเขาก็ต้องวางเวขาทำยังไงเราทำเต็มที่แล้วสุดความสา ม, มารถแล้วมันก็ต้องเข้าไปหาธรรมของพุทธเจ้า ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเราสอ น, นเป็นเพราะกรรมของเขาแต่เราก็ต้องทำนาทีของเราอบรมสั่งสอนเขาแนะนํำเขาถ้าบุญบา ร, รมีเขามีบุญใหม่บุญเก่ามันก็ทะลุถึงกันได้มันก็เจริญก้าวหน้าขึ้นมาอันนี้ไม่แน่นอนอเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือสำรวจ ดูแล้วเราคิดว่าเราจะทำยังไงกับสิ่งที่มันกุ้มลุมจิตใจนี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อใจเราในขณะนี้ทางของมุทธเจ้าเนี่ยก็มีมีเปิดให้คือหลักการก็คืออย่างนี้ถ้ามันผิดพลาดบกพร่องแล้วก็แก้ไข ให้มันดีขึ้นมาเนี่ยเดียกฝ่ายกุศลทันทีเลยจากอา ก, กุศลเปลี่ยนเป็นกุศลทันทีเลยถ้าว่าจิตของเรามันยังมีความไม่พร้อมต้องมาปรับจิตให้มีความพร้อมซะก่อนทีนี้ความพร้อมมันก็ขึ้นอยู่กับ ว, ว่าจิตของเราเนี่ยมันอ่อนแอลงไปมากขนาดไหนถ้ามันมากเนี่ยมันก็ต้อง หาทางให้มันกลับคืนมาเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้ไอจิตเนี่ยมันจะอ่อนแอตลอดไปเป็นไปไม่ได้ไอจิตใจเวลามันมีปัญหามันไหละมันมีทุกมันจะมีทุกมีเวลามีทุกก็คือมันอ่อนแอมันอ่อนแอแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามากุ้มลุ่มจิตใจมันอ่อนแอมันมันไม่มีกำลังก็คือขาดสมาธิ เพราะว่ามันมันมันไปวนเวียนอยู่กับเรื่องข้างนอกมากเราไม่สามารถที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิได้เมื่อจิตไม่มีสมาธิขาดกำลังความภูมิต้านทานก็ไม่มีเรื่องราวข้างนอกก็ไหลเข้ามาทีนี้เวลาเวลาจิตอ่อนแอรเรื่องอะไรก็มีสำคัญไปหมดเลยนะ ที่นี่ี่พูดพูดอยู่นี้ก็เคยอ่อนแอนะในสมัยที่ทำงานอยู่บางครั้งโอ้โหมันลุมเข้ามาหมดเลยแต่มันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปพอเราแก้ไขได้มันก็กลับคืนมาเป็นปกติได้ เพราะนั้นบางทีผู้เจ้าก็บางครั้งเทศพระองค์แสดงธรรมนะพูดถึงร้วเรื่องทุกเนี่ยทุกนี่สามารถไปสู่พรนิพพานได้เออเริ่มจากทุกเลยนะจิตใจมีทุกมีความบีบคัน้นมีเรื่องราวกดดันทีนี้ถ้าคนที่มีบุญเนะ่ก็จะสนใจหาทางออก โดยอาศัยวิธีของพระพุทธเจ้าแต่คนมันไม่มีบุญอ่ะอกุศลมันมากบาปมากกรรมไม่ดีให้ผลมากๆต้องไปแสวงหาทางออกที่ไม่ถูกต้องทันทีเลยนี่มันจะแตกต่างกันนะเพราะ้าคนที่มีทุกข์มีปัญหาเนี่ยหันเข้าวัดละ่ะหาทางออกอ่ะหาที่พึ่งเช่นมาหาคูบาอาจารย์อย่างในผู้ที่คิดว่าจะช่วยเราเลืเลอกอกลยาณมิตร ที่พอที่จะให้คำปรึกษาหรือเราแนะนำในทางที่ถูกต้องได้หาทางออกต้องเป็นทางออกที่ถูกต้องด้วยการเป็นทางออกที่ไม่ถูกต้องอแสดงว่ากรรมไม่ดีมันให้ผลมันซ้ำเติมหนะักมันก็แค่กรรมไม่ดีให้ผลชั่วคราวเฉยๆให้วิบากกรรมของเราที่มันเคยทำมามันมีกันทุกคนมันถึงได้มาเกิดคนมีแล้วเนี่ย เราก็มาแก้ที่ปัจจุบันอดีตแก้ไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยแก้ไขได้ก็ต้องแก้ที่ตรงปัจจุบันไม่ไปตีโพยตีพายไม่ไปโอดควรกายอาดีต mm hmm. เพราะว่ามันมันเอาคืนไม่ได้แล้วเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนอดีตเนี่ยมันมันมันล่วงไปแล้ว mm hmm. มันแล้วไปแล้ว ต้องพยายามไม่คิดถึงมันหรือหาวิธีแก้ไขให้มันดีขึ้นมาได้พอคนมีความทุกข์พระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าเออทุกเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยอยากออกจากทุกเพราะนั้นก็จะเริ่มศึกษาธรรมะเนี่ยเพราะนั้นถ้าหากว่ามีความทุกข์มีปัญหาแล้วหันมาศึกษาธรรมะหาทางออกพอศึกษาธรรมะแล้วจิตมันจะดีขึ้นมามันมันจะสบายขึ้นมา ก็เห็นเข็นคุณค่าของการศึกษาธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะจิตเนี้ก็จะมีความเบิกบานขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยเริ่มทันทีล่ะเปลี่ยนเป็นเบิกบานรื่นเริงบันเทิงคือมันมีความพอใจอะเพราะมันเบิกบานมันก็อิ่มเ อ, อิบขึ้นมาเป็นสมาอาเป็นมีปิติพอมีปิติก็มีความสงบ นเริ่มสงบละพอใจสบายมันก็เริ่มสงบแล้วก็มีความสุขมีความสุขนี่จิตมันจะเริ่มอยู่กับตัวเองล่ะสติรักษาจิตได้งานงานมามาที่ที่สติรักษาจิตแล้วนะถ้าสติรักษาจิตได้จิตก็จะเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิต่อไปมันมีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นก็ต้องตั้งมัน่นตั้งมั่นแล้วคราวนี้มันจะรู้ สภาพธรรมตามความเป็นจริงแต่เมารู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงจิตก็ต้องปล่อยวางได้สลัดคืนได้มีพ้นทุกได้เพราะว่าชีวิตมันมีความทุกข์โอ้ถ้าพูดถึงความทุกข์นี้นะนางปตาจาราเนี่ยทุกขี่สุดเลยนะเท่าที่เราเคยอ่านประวัติของคนมาเนี่ยนะประวัติ สาวกของมุตเจ้าเห็นนางปตาจาราเนี่ยนะนางปตจาราที่จริงชีวิตเกิดเป็นลูกมหาเศรษฐีนะโอ้โหเศรษฐีมีเงินมากพ่อแม่ก็กลัวว่าจะโตขึ้นมาแล้วกลัวว่าจะพบกับผู้ชายที่ฐานะไม่ไม่เสมอกันก็ให้อยู่ในปราสาทเจ็ดชั้นชั้นที่เจ็ด ไม่ให้ลงมาพื้นหลังเลยนะมีคนชายบริรับชายทุกอย่างต้องการอะไรเนี่ยมันจะมีหมดแล้วก็มั่นหมายกับเพื่อนมหาเศรษฐีด้วยกันว่าจะให้ลูกแต่งงานกันแต่วิบากกรรมของนางปตาจาราเนี่ยปรากฏว่าในในในปราสาทนั่นนะ่มันก็มีคนรับใช้ซึ่งเป็นเป็นผู้ชาย เกิดเป็นรักใคร่สนหากันอะต่อมาพ่อแม่ก็กำหนดวันจะให้แต่งงานจะบังคับให้แต่งงานละ่ะนางก็รีบกับพูดกับคนรักบอกว่าเอาเธอต้องพาฉันหนีนะถ้าให้ฉันแต่งงานกับคนที่ฉันไม่ได้รักก็ตายแน่เลยผู้ชายก็ต้องพานีพรก็รักผู้หญิงด้วยก็ห น, นีไปอยู่นูน ทนนับดนู่นแหละทำไร่ไถนาปลูกพืชผักอะไรพอมีชีวิตอยู่ได้ลำบากขนาดไหนก็ทนเนี่ยวิบากกรรมของคนมันก็จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถึงเวลามันก็เกิดผลขึ้นมาแต่ถ้าใจไม่ยอมรับนะมันจะเป็นทุกข์ถ้าใจยอมรับได้เป็นธรรมดาทันทีเลยนะไม่ได้มีอะไรอะ่ะก็ชีวิตอะ่ะเอาพออยู่ได้ก็พอแล้ว หมาข้างถนนมันก็ยังไม่อดตายอ่ะเราเป็นคนแท้ๆมันจะอดตายได้ยังไงอ่ะเราก็ทําอยู่ให้มันเหมาะสมเหมาะสมกับสภาพของตัวเองไปก่อนอาจจะพักฟื้นไปก่อนหรือว่าเตรียมกําลังใจซะก่อนอย่างอื่นนี้ยังไม่พูดถึงเพราะจิตมันอ่อนแอมันยังไม่มีกําลังก็ต้องมาปรับพื้นฐานซะก่อน ขณะที่ตัวเองก็อ่อนแอแก้จิตยังไม่ได้ยิ่งไปดิ้นรนมากๆ ม, ม, มันก็ทุกมาก่ยยิ่งไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้มันใจมันก็ยิ่งถูกกดดันน่ะถูกบีบคั้นน่ะเหมือนเอาทุกมาใส่ตัวเลยแต่ถ้ายอมรับได้อา้าพอใจอยู่ไงก็ได้มันก็มีความสุขไปได้ทำไรไถานาไปก็ได้เป็นลูกม ah ia, าหาเศรีไม่เคยทาก็ทาได้ ก็อยู่ไปจงกระทั่งตั้งคันตั้งคันคนที่หนึ่งสมัยนั้นน่ยาว่าในประเทศอินเดียนี่ต้องกลับไปคลอดลูกที่บ้านพอบันแม่ก็ลบเล่าให้สามีพากลับไปบ้านก็ไม่ไปอ่ะกลัวกลัวกลัวพ่อแม่จะลงโทษนางก็แอบหนีหนีไปบ้านพอบันแม่แต่ว่า สามีก็ตามไปไปทันกันพอดีคลอดลูกพอดีก่อนจะขําแม่น้ำอีกีรวดีก็พา ก, กลับมาไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นลูกคลอดลูกคนที่หนึ่งต่อมาตั้งคันคนที่สองพอครันแก่แล้วใกล้จะคลอดก็ลบเล่าให้สามีพาไปอีกสามีก็ไม่กล้าไปกลัวนางก็แอบหนีไป สามีก็ตามไปก็ไปทันตรงฝั่งแม่น้ำอิเจรวดีก็พอดีมันกำลังมืดคำ่ำฝนก็เริ่มตกนะพายุพัดมาฝนเริ่มตกสามีก็รีบถือพระเข้าไว้ในป่าก็จะไปตัดไม้มาทำที่บังจะให้จะให้ภรรยาคลอดลูกเมื่อฝนมันเปียกลูกกับภรรยา ไปถึงพอไปไปตรงบริเวณนั้นไปตัดต้นไม้ในบริเวณจอมปวกไอ้ตรงนั้นก็บอกเออมีงูเหา่ามันก็ตกใจเข้ามันมันก็กลับตายภรรยาก็อยู่ทางนี้ก็ปวดเจ็บท้องฝนก็เริ่มแรงตกพายุเข้ามาคลอลูกออกมาโอ้คลอดลูกไม่ว่าคนหรือสัตว์นะ ให้ร่างกายมันบีบรัดกระตุกโอ้โหเจ็บปวดทุกทรมานนี่ก็ทนทุกทรมานคลอดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นห่วงลูกกับแม่เนี่ยเป็นห่วงลูกมันวิธะทำยังไงก็ต้องคุกเขา่าเอามือเท้าดินสองข้างคุกเขา่าเอาลูกน้อยสองคนอนอนอยู่ใต้ท้องแม่ทั้งเจ็บปวด ร่างกายทั้งเหนื่อยเจ็บปวดเพราะบังฝนบังลมให้กับลูกตัวก็เปียกปอนหนาวเหน็บทุกทรมานใจก็ น, นึกถึงสามีไม่กลับมาสักทีหนึ่งจนสว่างโอ้โหแค่นี้ความทุกข์มันก็มากมายมาหาศาลละ ตื่นเช้าก็รีบอุ้มลูกคนเล็กเนือร่างกายก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ว่ามันบังคับอุ้มลูกคนที่สองที่เกิดใหม่จูงคนแรกเดินตามไปหาสามีไปเห็นตายแล้วสามีตายคนที่มีสามีเนี่ยมันก็ต้องเจ็บปวดทุกทรมาน เนี่ยเยวตาสงสารนะ่มันมีความทุกข์อยู่ตลอดถ้าหากว่าเราเราไม่ได้ฝึกจิตใจของเราไม่รู้มันจะระดังมาเมื่อไหร่ล่ะเสร็จเราก็ตัดสินใจเด็ดขาดต้องข้ามแม่น้ำอิจิวาระบดีอิจิลวดีไปหาพ่อแม่ให้ได้เพราะสามีตายแล้วหมดหวังแล้วพึงสามีไม่ได้แล้วไปถึงก็พายุมันพึ่งมา น้ำมันก็มีไหลเชี่ยวบางแห่งก็ลึกก็มีก็ไปสำรวจ ด, ดูเอาทางไหนที่พอว่าจะข้ามได้บางแห่งก็อาจจะแค่เอวบางแห่งก็ถึงค อ, อแล้วก็มันก็ไหลแรงด้วยจเจาลูกไปพร้อมกันก็ไม่ได้เอาลูกคนที่สองนี่ลหละไปก่อนตัวเล็กเนี่ยอุ้ม อุ้มพยายามยกอยู่เหนือน้ำลุยน้ำไปเรื่อยๆมันก็กว้างนะลุยไปโอ้โหกว่าจะข้ามไปได้ไปไปถึงก็ไปวางไว้ตรงดิมฝั่งก็หันกลับมาอีกเพื่อจะไปรับลูกคนแรกรออยู่ฝั่งทางโน้นพอมาถึงกลางแม่น้ำเท่านั้นแหละไอเยี่ยวมันก็มองลงมามันก็เห็นเด็กดิ้นกระเดวกระเด็วมันก็ มันก็มันนึกว่าเป็นอาหารของมันอ่ะมันก็ก็คืออาหารของมันละนะมันก็บินลงมาโฉบลงมาขยุมเอาลูกคนที่สองลูกก็ร้องสิได้ยินเสียงร้องลูกขันควบไปเห็นเหยียวกำลังขยุมลูกบินขึ้นไปไล่ที่นี้ไลเ่เหยียวเอยียวลูกชั้นต้ายังเช่นใบบุกไม้บกมุกเงมันก็ออกมาจาก หัวใจลุนล้วนอะ่ะไม่ต้องคิดอะ่ะสัญชาตญาณของแม่นะไอ้ลูกคนแรกก็ น, นึกว่าแม่เรียกเห็นแม่โบกไม้อันก็อยู่ไกลๆอะ่ะอยู่กลางแม่น้ำก็โดดลงน้ำเลยว่าจะไปหาแม่ก็ไม่รู้ว่ามันลึกหรือมันตื้นน้ามันเป็นเด็กอะ่ะไม่มีสบการณ์อะไรน้ำไหลพัดลูกคนแรกไปโอ้โหหมดเลยทีนี้ สามีก็ถูกงู ก, กัดตายลูกที่เพิ่งคลอดใหม่ๆเหีย่ยวก็เอาไปกินเป็นอาหารลูกที่คลอดมาได้สักขวบหนึ่งน้ำพัดไปหัวใจของแม่ไม่มีอะไรเหลือแล้วมีอยู่อย่างเดียวต้องข้ามแม่น้ำไปให้ได้เหลือพ่อกับแม่เท่านั้นกระเซากระเซิงแลวทีเดียวจิตใจเริ่มว้าวุ่น เาพอไปถึงหมู่บ้านมองดูที่เคยปราสาทเคยเมีเหลือแต่กองไม้ก็หันไปถามคนแถวๆนั้นกำลังมุงดูอยู่ก็มีอ้อาวใช่ปราสาทของมหาเศรษฐีไหมเนี่ยใช่เอาแล้วทำไมเป็นอย่างนี้อะ่ะเธอไม่รู้เลยว่าเมื่อคืนนี้พายุมาปราสาทพังทลายลงมาเลยเอาแล้วมหาเศรษฐีอะ่ะ กับภรรยาเป็นยังไงนั่นแหละตายหมดเลยตายในกองไม้หมดเลยทั้งบริวงบริวานอะไรด้วยข่าวนี้หมดเลยพ่อแม่ก็ตายสามีถูกงูกัดตายลูกคนที่สองเพิ่งคลอดเหยี่ยวก็โชบเอาไปลูกคนแรก ก็น้ำพัดไปพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรทั้งหมดอะไม้ปราสาทถลม่มซากตึกทับตายหมดโอ้โหหัวใจมันจะเป็นยังไงทีนแทบสลายเลยละ่ะหมดสติคาขาดสติไปเลยเพ้อไปเลยถึงเนื้อถึงตัวเสื้อผ้าไม่สนใจ ร้องไห้หัวเลาะเดินไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทางกระเซาะกระเซิงไปอย่นี้เด็กมันมันเห็นน่ะมันเห็นคนไม่หนุ่งผ้าผ้าทางเป็นเหมือนคนบ้าคนใบ้บางคนก็ดีอะ่ะสงสารเอาข้าวมาให้เอาเสื้อผ้าให้มันเขาก็ไม่เอาเพราะเขาไม่รู้เรื่องจะได้กินบ้างบางคนก็ เอาทรายมาโปรยเอาดินมาขว้าแก่งสารพัดเอาไม้มาแย่อโอ้ยวิบ่าวกรรมของคนเวลามันให้ผลเนีมันรุนแรงมากแต่ทีนี้กรรมดีก็มีกระเซิกกระเซิงไปก็ตามนะแต่บ่ายหน้าไปทางวัดเชตวันเออทางที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เดินไปเรื่อยแต่มุ่งไปทางนั้นนะ่ะ มันเหมือนมีกระแสบุญสักอย่างคอยดึงดูดเหนียวหลังเอาไว้กระเรื้อกระเริงไปก็เหมือนกับได้ยินเสียงกระแสธรรมของพระพุทธเจ้าเดินไปก็เข้าไปภายในวัดพระพุทธเจ้าก็กกำลังแสดงธรรมมีภิกษุภิกษุณีสามนเณรสามนเณรีอุบาสกบาสิกากะแว่ล้อมฟังธรรมกันอยู่ คนที่เขามาฟังธรรมอ่ะเขาเห็นคนไม่มีเสื้อผ้าค่ะไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเขาก็ไม่อยากให้เข้าไปสิคนบ้าอย่าเข้ามาอย่าให้คนบ้าเข้าไปนางก็มุ่งตรงไปนุ่นนะจะเดินไปหาพระพุทธเจ้าเลยเนะนี่ยพรเจ้ารู้โดยย่านเนี่ยนางเนี่ยเคยทำบุญละเคยสร้างบรารมีมาละ เคยฟังธรรมของพุทเจ้าองนั้นองนี้มามากมายแสนกลับละ่ะก็เลยพูดออกไปว่าให้ลูกเราเข้ามาเถอดพอพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้คนเขาก็โยนเสื้อผ้าให้นางก็เาเสื้อผ้ามาผ่านกายปตาจาราเธอจงมีสติสติของเธอจงกลับมาเถอด กระตุ้นแค่นี้นะไอบุญเก่าที่เคยมีออกมารับทันทีเลยนะทะลุถึงกันเลยนะสติกลับคืนมาเลยเวลากรรมดีมันไม่ให้ผลนะพลิกทันทีเลยนะเพราะเวลากรรมไม่ดีมันให้ผลนะ่ะอย่าพึ่งไปอ่อนแออย่าพิ่งไปพึ่งไปยอมแพ้ต้องหาทางให้จิตเราพลิกกลับมาให้ได้ถ้าบุญเรามีมันกลับมาถ้าหากกรรม ไม่ดียังไม่หมดก็ยอมรับไปก่อนสร้างกรรมปัจจุบันให้ดีให้ถูกต้องหาทางออกให้มันถูกต้องพอมีสติแล้วนางก็เดินเข้าไปหาพระตจา่าไปถึงก็กราบแท่พระบาทของพระองค์นี่พระเจ้าก็สอนปตาจล า, าเธอจงมีสติสติของเธอจงกลับมาเถิดเนี่ยสติมันก็กลับมาบุญเก่ากลับมาแล้วองค์ก็สอน นางก็ลังมีความทุกข์อยู่ผู้เยาก็สอนไปเรื่องทุกข์เลยก็ให้เห็นทุกข์ในวตาสงสารนี่แหละดูก่ประตตาจร า, าน้ำตาของเธอที่หลั่งไหลออกมาเพราะความทุกข์อันเกิดจากการพัดพลากจากสิ่งที่รัก อยากลูกตายสามีตายพ่อตายแม่ตายพี่ป้านะ้าอาตายจากการพัดพลากจากสิ่งที่เธอรักเนี่ยน้ําตาของเธอทั้งหมดรวมกันเอามารวมกันแล้วมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่เฉพาะเกิดเป็นคนแล้วก็ร้องโหมร้องไห้เพราะพัดพลากจากสิ่งที่เป็นทิ้รักเนี่ย มันตายไปเนี่ยเอาน้ําตามารวมกันมากกว่าน้ําในมาหาสมุทรทั้งสี่สติของนางดีแล้วนี่กลับคืนมาแล้วนี่เห็นภัยเห็นโทษจิตยั่งเข้ามาเลยเห็นความทุกข์เห็นความบีบคั้นทั้งหมดนะ่ะมันไม่ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเลยนะเนี่ยทุกทั้งหลายเนี่ยมันเป็นแค่ว่าความหลงผิดอะ่ะ ความไม่เข้าใจอ่ะไปยึดมันเฉยๆนางก็คลายออกทันทีเลยนะเห็นแจ้งชัดเจนเลยว่าอที่แท้มันก็มันเป็นแค่ความทุกข์ก็เป็นแค่เวทนาเช่นนี้หนึ่งเป็นเวทนาเท่านั้นเองเมืม่อ ไ, ได้เป็นของเราสักหน่อยเวลาปัญญามันเข้าถึงอ่ะมันทะลุไปได้จริงๆนะแต่ตอนที่มัน มันไม่มีปัญญาโอ้โหกูแย่แล้วตายแน่แน่แล้วยังไงไม่รอดโอ้โหทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมต้องมาอยู่กับเราทําไมมาเกิดกับเราเป็นกับเรากำอะไรนาะฮะมันจะคิดให้ตัวเองเป็นทุกข์แต่เวลามันมันมั น, ม, นมันมีปัญญาขึ้นมาเอ้มันเป็นเป็นแคเ่เวทนาชนิดหนึ่งไ อ, ไอ้สิ่งที่มันปรุงแต่งให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็แค่ความคิดเท่านั้นเองอะ่ะก็แค่ไปหลงยึด ไอสิ่งที่มันมันมันเกิดดับอี่มันเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงอ่ะมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมันมีเหตุแล้วก็ตัวเองก็ไม่รู้ไม่สามารถพัฒนาปัญญาให้มันรู้ความจริงได้มันก็ไปยึดโน่นยึดนี่มาเป็นทุกข์แล้วก็เวลาเป็นทุกข์มันก็วนเวียนอยู่กับเรื่องเก่าวนไปวนมายิ่งทุกข์หนักหาทางออกก็หาทางออกไม่ถูกด้วย นี่เนี่ยไอ้ธรรมชาติของความทุกข์มันก็ไปหาทางออกที่มันไม่ถูกต้องไปพึ่งก็พึ่งข้างนอกอยากให้คนเนี่ยมาช่วยเหลือช่วยเหลือก็มาช่วยเอาความทุกข์ออกไปด้วยนะไปลดน้ำมนต์บ้างไปไหว้ากาพระก็อยากเหมือนกับกาพระพุทธเจ้าอยากให้พุทธเจ้ามาเอาทุกข์ออกไปอันนี้มันไม่ถูกทางทางพระพุทธเจ้านี่หมายความว่า ต้องมาศึกษาทำความเข้าใจมันทุกมันก็ต้องมาจากเหตุเหตุที่แท้จริงก็จิตของแต่ละคนที่ไม่รู้ความจริงมันมันก็เลยไปยึดยึดเรื่องราวต่างๆยึดนั่นยึดนี่แล้วก็มาปรุงแต่งคือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็าตามมันมันต้องมีความรู้สึกเกิดขึ้นเขาเรี่ยวมันมีเวทนาเกิดขึ้น เป็นทุกขเวทนาทางกายบางทีก็ทางทางจิตบางทีก็มีผลต่อร่างกายทุกทางกายทุกทางจิตแต่ถ้าสติดีเคยฝึกมาเคยปฏิบัติมาสติมันดีขึ้นมาแล้วจิตมันก็จะเป็นสมาธิมันมันหมายว่าไอไอไอารมณ์ที่มันกุ้มลุมจิตอะถ้าเป็นสมาธิแล้วมันจะสลายไป สังขารที่มันปรุงแต่งจิตมันดับไปจิตก็เป็นหนึ่งขึ้นมามันก็จิตมันก็ถูกเปิดออกอะไรที่ค่มงามจิตเหมือนมันถูกเปิดออกสลายออกมันก็เริ่มมองเห็นเนี่ยที่แท้จริงไอสิ่งที่มันที่มันเป็นทุกข์อยู่นั่นแท้ๆก็แค่แค่เป็นกระแสที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันอาศัยการเกิดขึ้นมีเหตุก็เกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับไปแต่ ถ้าไม่ปฏิบัติมันเข้าไม่เห็นนะเข้าไม่ถึงมันพอเข้าไม่ถึงมันมันก็หลงยึดอยืง่งันหะเหมือนไม่มีทางออกเลยมุดมนจรการเลยก็ทุกขอยู่นั่นนะจมยอยู่กองทุกข์เลยแต่พอรู้ความจริงปั๊บมันก็ปล่อยวางไม่ยึดอ่ะนี่คือเห็นเห็นถูกต้องขึ้นมาละความเห็นผิดคือว่านี้แหละคือละสักยธทิฏฐิ จิตเปลี่ยนทันทีเลยบรรลุปเป็นพระสวสดาบัลเลยนางปตาจาลาคนที่กำลังทุกทรมานจะเป็นจะตายแต่พอเหตุปัจจัยมันมาถึงเปลี่ยนเป็นพระอริยบุคคลได้นางก็เห็นทุกภัยอย่างทารุณโหดร้ายทั้งที่เคยเป็นลูกมหาเศรษฐีอยู่ในปราสศาทมีคนรับใช้ ต้องการอะไรก็ได้ดังใจทุกอย่างชีวิตมันผันแปรเลยเอาไปอยู่กับสามีทุกทรมานทำมาหากินเอาพออยู่ได้พอพอใจที่จะอยู่ต่ว่ามีเหตุการณ์ทำให้ความทุกข์มันกระหน่าเข้ามามีเหตุความทุกข์มันเกิดขึ้นจิตที่มันลุ่มหลงก็ไปยืดเล่นเอาชีวิตเนี่ยมันแทบจะเอาตัวไม่หลอดล พอได้ฟังธรรมของุทธิยาวสติกับคืนมาบรรลุปเป็นพระโสดาบันบุคคลได้โอ้ถ้เทียบกับชีวิตของเราเนี่ยคิดว่ามันไม่น่าจะเท่ากับนงางปตาจลาานะจะผิดหวังอะไรก็ได้ก็ช่างไม่สมความป่าถนาอะไรก็ตามอะมันไม่รุนแรงเท่าหรอกแต่ว่าบางทีมันก็อยู่ที่ว่าจิตของเราเนี่ย มันสามารถแก้ไขตัวเองได้ขนาดไหนอะแล้วนางขอบวชเลยนะขอบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมในสำนักพิกษุนียแล้วก็เขาก็ในในในในพระเจ้ปิฎกก็พูดถึงว่าตอนนางบรรลุเป็นพระอรหนะันต์น่ะเป็นล้างเท้าล้างเท้าก็พอยกเท้าขึ้นมาปับ๊บน้ำก็หยดหยดลงไป โยดลงไปพอกระทบพื้นน้ำปับ๊บมันก็เป็นวงอ่ะก็วงเนี่ยมันก็บางวงก็เล็กบางวงก็ใหญ่นางก็ระ ล, ลึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อชีวิตของสัตว์โลกเนี่ยบางทีมันก็ตายตั้งแต่เป็นเด็กนี่นี่สุไอสิ่งที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์กับกลับกลายมาเป็นทำให้บรรลุธรรมบางทีก็ตายตอนเป็น กางคนบงก็ตายตอนเป็นผู้ใหญ่ตอนแก่ไม่มีอะไรแน่นอนเลยจิตยังเข้ามาเต็มที่เห็นเห็นชัดเจนอยู่ภายในไม่มีอะไรเป็นของเราอีกต่อไปเด็ดขาดลงไปเลยนะเวลามันเด็ดขาดเนี่ยมันมันมันนี่เยื่อใ่สังขารที่เคยปรุงแต่งให้เป็นตัวเป็นตนไม่มีดับไปเลย พอมันดับไปเนี่ยไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตอีกแล้วมันจะรู้ตรงนี้แหละว่าเออภพชาติมันสิ้นแล้วเพราะไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้แล้วจิตก็เหมือนไม่ใช่เราอะ่ะเหมือนธรรมชาติอันหนึ่งมันอยู่เฉยเฉยอะ่ะมันก็ดูอยู่แต่ไม่ ม, มีอะไรปรุงแต่งเรื่องเราอยู่ข้างนอกหมดเลยเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามจะหนักจะเบาก็ตาม พอมันกลับเข้ามาดูตัวเองแล้วมันก็อยู่ตามลำพังทุกอย่างอยู่ข้างนอกหมดไม่มีที่จะกั้มกายเข้ามาหาจิตได้ก็เลยไม่มีทุกข์เลยเหมือนว่างเปลาแต่ก็ไม่ในว่างเพราะมันก็รู้นู่นรู้นี่อยูอ่ก็อยู่เป็นธรรมชาติแต่ไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้ ก็มีความคิดอยู่แต่มันคิดแล้วมันดับของมันะ่ะมือนเรื่องของสังขารไปคล้ายๆมันรู้รอบไปหมดอะเกี่ยวกับสังขารเกี่ยวเรื่องราวที่มันมาทําให้คนเป็นทุกข์เนี่ยรู้หมดเลยโอ้คนมันเป็นทุกข์เพราะอย่างนี้เองไอตัวตัวตั ว, ต, วตัวสําคัญที่มันทําให้เป็นทุกข์มันก็เลยมีมาจากตัวที่ไม่รู้นี่แหละ ก็ยึดไปหมดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไปหมดเลยแล้วก็ลองออกมาก็ตัวตัณหาอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการอยากเริ่มตั้งแต่อยากเอานั่นเอานี่อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ได้ก้าวของเงินทองเรียากกรารมตัณหาแต่กรรมตัณหาเนี่ยมันต้องใช้กําลังใจ ที่จะต่อสู้กันได้ถ้าไปมัวแต่ตามมันอยู่ตามมันอยู่อ่อนแอพระเจ้าจึงเวลาพระเจ้าสอนเนี่ยจึงพูดถึงอาตาปีความเพียรเพียรต้องเป็นตบะเผากิเลสให้เราร้อนด้วยเพียรมีสติสัมปชัญญะแล้วก็เพียเพรเผากิเลสให้เราร้อนเพราะว่ามันต้องใช้กําลังใจกําลังใจเนี่ยมันทําให้จิตเป็นสมาธิ สมาธิมันก็ทำให้จิตมีกำลังมันจึงมีภูมิต้านทานสามารถต้านทา น, ทานต่อพวกกรร ม, มาตัณหาความอยากในรูปรสเสียงสิมผัสหยับๆยบอ่ะหยับๆยบรุนแรงยี่พวกนี้แบบรุนแรงไอ้พวกที่ลายละเอียดยละครอบครัวอะไรอย่างนั้นโยโอยนมันอีกระดับหนึ่งนะละละความโกรธอย่างเงี้ยละกรรมราคะนู่นพระอนาคามีนู่นเพราะนั้นเบื้องต้นนี้ต้องหาทางให้มัน ให้สติเข้ามารักษาจิตให้เป็นสมาธิเพื่อให้มีกำลังแล้วก็ต้องช่วยด้วยการที่สร้างภูมิต้นทานให้จิตมีกำลังไม่คอยตามพวกตัณหานเพราะ้ น, นพพพพพพเพอพะเจ้าเวลาท่านสอนเนี่ยท่านรู้เหตุเนี่ยท่านก็เริ่มว่าเออถ้าจะาปฏิบัติตามทางของพระองค์ทางออกจากทุกข์เนี่ยทางที่จะบรรลุธรรมเนี่ยต้องมีความเพียเพรเผากิเลสให้เราร้อน แล้วก็เพียนเจริญสติสัมปชัญญะตัวสติตัวเนี้ยมันก็กลับมาควบคุมจิตได้จิตก็เป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิก็มีภูมิต้านทานภูมิต้านทานก็ทาให้กําลังของจิตเพิ่มขึ้นปัญญายาณก็มีขึ้นค่อยรู้ขึ้นรู้ขึ้นจนมันตั้งมัน่นตั้งมั่นทีนี้มันจะไปถึงจุดหนึ่งจะต้องเป็นเองทั้งหมด เวลามันรวมเข้ามาเป็นอริยมรรคแล้วเห็นเองเป็นเองเหมือนเข้าไปสู่พุทธมรร ค, คจริงๆเพราะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยจึงไม่ต้องอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากได้ความสงบอยากได้สติอยากได้ปัญญาเพียรสร้างเหตุให้ถูกต้องดําเนินไปผลถึงเวลามันเกิดขึ้นทีนี้มันก็อดไม่ได้อ่ะ เนี่เราไม่สงบก็อยากสงบอ่ะเขาก็ดิ้นรนอยากสงบแต่ถ้าว่ามันอยากสงบแต่ว่าเราสร้างเหตุมันถูกต้องมันก็สงบเองนั่นก็คือพื้นฐานเนี่ยมันก็มาตรงพื้นฐานที่จะทําให้จิตมันมันมีความพร้อมปรับพื้นฐานฝ่ายกุศลต้องเริ่มฝ่ายศีลต้องมีนะ การดำเนินชีวิตก็ถูกต้องดีงามอย่างเช่นในเสสระในช่วยเรลือส่วนร่วมเนียมันใจมันเบิกบานเป็นพื้นฐานที่ดีแต่ถ้าเอาแค่นี้มันก็ไม่เกาหนามันก็เป็นความดีทางโลกไปคือไม่อาศัยพื้นฐานมาพัฒนาจิตของตัวเองเขาขยกย่อ ง, องสันเสริญกันทางโลกแต่ทางธรรมมันไม่ใช่อย่างนั้น มันเป็นแค่พื้นฐานที่จะมาพัฒนาเพื่อให้จิตออกจากทุกเพื่อไม่ให้มีทุกข์ผล ค, ความดีระดับนี้มันเป็นความดีทางด้านจริยธรรมเป็นความดีพื้นฐานเป็นความดีทางโลกเพราะในเวลาทางโลกเขายกย่องสรรเสริญกันเขาก็ยกย่องสรรเสริญกันเพราะว่ามันเป็นความดีทางโลกมันอยู่ในระดับที่ทำให้มีชีวิตอยู่ในโลกได้ แล้วความทุกข์ก็น้อยลงไปบ้างแต่ว่าถ้าจะออกจากทุกข์มันไม่เพียงพอมันต้องอาศัยพื้นฐานถูกต้องแล้วก็มาเจริญสติจเจริญสติมีสมา ธ, สมาธิสมาธินี่เป็นเหตุใกล้ทําให้เกิดปัญญาหรือเป็นบาดฐานของปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วรู้ความจริงแล้วมันจะสลัดคืนสลัดออกบรรลุมรรคผลแล้วก็นิพพานได้ ทีนี้เราก็มาสำรวจว่าเส้นทางที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เนี้ยที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่เนี้ยมันตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมถ้าไหนไม่ถูกไม่ตรงเราก็ต้องมาปรับมาแก้มาพัฒนาให้มันดีขึ้นคนที่มาอยู่วัดส่วนใหญ่มันก็พวกเหล่านี้มันข้ามไปแล้วในเรื่องการดาเนินชีวิตเนี่ยมันก็ ยิ่มาอยู่วัดนานๆแล้วก็มันไม่ห่วงแล้วเพราะอยู่วัดก็พออยู่ได้ในเมื่อจิตใจมันไม่ได้ลินลนอยากอะไรมากมายแต่ว่า ว, วัดมันมีระบบที่เกื้อกูลต่อธรรมะอยู่ได้อย่างสบายๆบานคนที่เขาอยากได้บุญเขาก็มาทําบุญมีปัจจัยมีอะไรพอมีชีวิตอยู่กันได้ก็แบ่งปันกันเนี่ยมันก็จะเข้าระบบเดียกว่าสังฆะ แต่ว่าเฉพาะพายอยู่ดกนกันกับภิสษุสังฆะพิสุนีสังฆะอุบาสกอุบาสิกากเป็นสังฆะชนิดนึงแต่ถ้ารวมๆกันอยู่อย่างนี้ก็จะเรียกว่าอะไรก็เรียกแต่สังฆะนี่หมายว่ามันมารวมกันรวมกันเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อออกจากทุกข์ในเมื่อเรามีพื้นฐานถูกต้องสิ่งแวดล้อมมันก็เอื้ออานวย ทำให้เราก็ปฏิบัติทำได้หมู่คณะก็ปฏิบัติทำได้นี่มันก็ไปด้วยกันดินต่างคนต่างก็รู้หน้าที่รับผิด ช, ชอบให้มันถูกต้องถ้ามันมีความไม่ถูกต้องขึ้นมามันก็กระทบกระเทือนระบบมันไปทั้งระบบมันอยู่ร่วมกันถ้อยยานต่างแต่ละคนถ้าหาว่าเออมุ่งปฏิบัติ ก็ต้องมีพื้นฐานที่ถูกต้องแล้วก็มุ่งเข้าหาธรรมเพื่อออกจากทุกข์อะไรที่จะเป็นปัญหาก็เป็นทุกข์เป็นปัญหาขึ้นมาก็ไม่เอาบางทีบางทีงทไอ้ไอ้ส่วนตัวมันก็จะเป็นอย่างหนึ่งนี้เพื่อส่วนรวมเพื่อทมก็ต้องละต้องทิ้งไปถ้าให้ส่วนตัวมันมันมันอยู่เหนือธรรมมันก็ใช้ไม่ได้ สร้างปัญหาทันทีเลยกระทบกระเทือนสิ่งแวดล้อมกระทบกระเทือนธรรมะมันไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็สมบูรณ์เขาก็ปฏิบัติได้เราก็ปฏิบัติได้ชีวิตที่มันอยู่ก็มันก็เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติธรรมธรรมก็จเจริญขึ้นจเจริญมากจเจริญ น, น้อยอันนี้มันเป็นธรรมชาติของแต่ละคนอะ พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าแต่ละคนเมื่มปฏิบัติไปตามลําดับมันไม่เท่ากันเราจะเอาเราไปตัดสินพอเราตัดปฏิบัติยากจะว่าคนอื่นก็ต้องอยากด้วยเรามีทําน้อยคนอื่นก็ยงน้อยด้วยมันไม่ใช่บางคนช้าบางคนเร็วบางคนมีเหตุปัจจัยมันมาถึงเขาก็รู้ทําได้เพราะนั้นมันจึงมีหน้าที่ดูตัวเองขัดเกลาตัวเอง แล้ก็พยายามละพยายามคลายออกเน่ยไม่ใช่ยึดบางที่อยู่นานขึ้นไอๆอพวกที่มันคอยล่อหลอกมันก็มีอยู่บางทีมานะมันก็โผล่ขึ้นมาได้พอทำความดีหน่อยมันก็เอาความดีมาอ้าง สร้างเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาศึกษาธรรมะมันก็ธรรมะมาอ้างธรรมะเราสูงกว่าเขาเขาด้อยกว่าเรามันก็เอามาอ้างไดะแทนที่จะเพื่อขัดเกามันกลายเป็นเพิ่มตัวตนมันก็ไปไม่ได้นานเข้านานเข้านี่อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันกิเลสมันมากตัวตนมันมากแทนที่ละตัวตนมันไม่เด่นละ ตัวเองก็ไม่รู้สึกตัวถ้าว่าไม่มีธรรมที่มันเนื้อกว่ามาแก้ไขเวลาด้อยกว่ามันก็เอามาอ้างอีกเป็นทุกข์อีกเพราะฉะนั้ น, ใ น, ใ, น, ใ, นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าปฏิบัติเพื่อความเป็นมัสโซดาบันเนี่ยมันจะต้องมีรู้จักเพียร เขากเกลีให้เราร้อนเพียงมีสติสัมปชัญญะเนี่ยตรงตามหลักธรรมของเจ้าแล้วพยายามละความยินดียินร้ายก็คือมันไม่เอาไปเอานู่นเอานี่เข้ามากุ้มลุมจิตใจนี่แค่นี้ก็เป็นพื้นฐานเพียงพอก็จิตเป็นสมาธิตั้งม่ก็รู้ความจริงแต่ที่ถ้าสูงขึ้นไปละเอาเราพเป็นพระโสดาบานันละความเห็นก็ถูกตรงละไอ ไอ้ตัณหาก็ละได้บางแล้วก็ต้องละตัณหาที่มันละเอียดเข้าไป ก, กามตาตนะแล้วก็มีภาวะตัณหาติดข้องในภพมันก็จะเป็นละเอียดเข้าไปแก้ไขาอารมณ์ต่างๆฝึดปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่มันเข้ามาเป็นตัวเป็นตนในจิตของเรา ถาสิ่งนี้เบาบางลงไปก็บรรลุพระสกิทคามีเนี่ยพูดในแง่ที่เลียวว่าพูดในเชิงของปัญหากับความเห็นที่ผิดความเห็นผิดหยาบหยาบรุนแรงที่ไปทํากรรมหนักๆเห็นตั้งแต่เป็นวัโสดาบันแล้วมันก็คือเห็นเนี่ยเราไม่มีในรูปมัคือรูปแต่ว่าเราไม่ไปจมอยู่ ร่างกายเป็นอะไรก็ไม่ไปเจ็บปวดทุกทรมานไปกับมันลูกก็เป็นแค่ลูกมันไม่ใช่ว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเนี่ยถ้าว่าพูดในแง่ของการปฏิบัติคือเห็นจิตเห็นแต่จิตปล่อยได้วางได้มันก็สั้นสําหรับพูดในในสภาวะของการปฏิบัติคนที่ปฏิบัติแล้วก็เห็นเห็นเหมือนกัน เห็นขันห้าไม่ใช่ของเราแต่ไม่ใช่เห็นตลอดไปนะเห็นในญาณปัญญายาณที่มันแ ก, ก, กล้ามันเห็นชัดเจนมันทำหน้าที่ของมันแล้วก็ดับเนี่ยปัญญาดับปุ๊บเข้ามาต้องเอาใหม่เพียรอีกปฏิบัติอีกเพราะนั้นคนปฏิบัติยิึง ม, ม, มาปฏิบัติไม่มีไม่มีหยุด เพราะปัญญามันเกิดแล้วปัญญาไม่ได้อยู่ตลอดไปตัวปัญญาก็เกิดดับเหมือนกันยานเกิดขึ้นมันพอมันทำหน้าที่อองมาแล้วมันก็ดับถ้าว่าใครใครดับแล้วแล้วเราสามารถแล้วลึกเด่นเร็วก็ไปเด่นเร็ว่ะบางทีก็เพราะนั้นบางทีสมัยก่อนก็มีอา้าวโสดาบันต่อมากับพระสกิทาคามีนาคามีอราหานเร็วเนี่ยพอมันลึกเด่นเร็วแต่ใครลึกช้า โอ้โ ห, โหจากพระโสดาบันแล้วก็ต้องปฏิบัติเนี่ยดูลูกดูนามดูขันห้าต่อไปอีกแล้วแล้วเราเจนกว่าแจ้งชัดขึ้นไปปารกิเลอีกคราวนี้ปัญหากัทางทางกรรมตันหาก็เบาลงไปเลยแต่ยังไม่หมดหรอกดูแ ล, ล ก, กินเสียงสะบัดยังพอใจอยู่ ความเห็นผิดเบาบางลงไปตัวตนน้อยลงไปกิเลสน้อยลงไปถ้าพระนาคามีอันนี้รูปรูปขีนเสียงสัมผัสปานใดเลยกามาตัณหาหมดไปก็มีอะไรก็เอามาอะไรเป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็เอามาได้ขนไข่หาได้ไม่ใช่ไม่เอาอะไรเลยนะมันมีปัญญาตัวหนึ่งอยู่อ่ะไม่ใช่ว่า เออเปียนพระยาเจ้าแล้วยังเอานู่นเอานี่มันไม่ใช่เอาได้แต่มันเอาด้วยความมีเหตุผลมันอยู่ในขอบเขตของธรรมะในใจมันไม่จิดไม่คล้องไม่ยึดเอาได้แต่ก็อยู่ในขอบเขตของธรรมะควรมันพอดียังไงเนี่ยยังในขอบเขตของธรรมอ่ะ แต่ว่าสิ่งที่พระนาคามีจะต้องมาละก็คือว่าภวะตัณหามันจะติดในสมาธิเนี่ยมันอดติดไม่ได้ถ้าแรกๆเลยติดสมถะก็มีจริงมันไปนเพ่งอารมณ์อยู่จมอยู่ไม่รู้จักพอคลายออกแล้วมาฝึกอย่างพวกสมถ า, านนำหน้าวิปัสสนาก็เป็นได้แต่ว่าสมถะาก็กจำเป็นเป็นบาตรฐานของวิปัสสนาไม่มีก็ไม่ได้ต้องมี แต่ว่าต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แต่พอผ้านาคามีเนี่ยติดไม่รู้ตัวเหมือนกันคือจิตน่ยมันติดจิตมันเข้าไปพักอยู่พักนานไม่ทำงานจออยู่งั้นสติก็รู้อยู่สบายดีอยู่รู้เฉยแต่ว่าอยู่ข้างในลึกๆเหมือนรู้อยู่ มันไม่มีอะไรแต่ว่ามันพักอยู่นี่มันคืออยู่ในรูปฌานรูปฌานหมายว่ามันอาศัยร่างกายส่วนในร่างกายแล้วก็เข้าไปสู่ฌานหนึ่งสองสามสี่ได้แต่ถ้ามันไม่อาศัยกายมันอาศัยอารูปฌานอาศัยอารูปเพ่งความว่างเป็นวิญญาณ วิญญาณก็ไม่ใช่เพ่งความไม่มี่ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยพวกนี้มันมันมันเป็นอรูปแล้วก็ไปแบบไม่มีกายไม่มีรูปมีแต่จิตเด่นแต่ไม่รู้อะไรเนี่ยพวกนี้อรูปรชาติติดหลาคนที่ติดเนี่ยมันพอมันไปจับได้แนตะ่โอ้โหมันเสียเวลาจริงๆเลยนะตอนติดอยู่นี่มันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย เพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยพอพอมันมันอินทรีย์มันแก่กล้ามันรู้ของมันจนได้นี่ทางพระพุทเจ้าเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นขอให้ปฏิบัติเดี๋ยวมันมีคําตอบให้กับเราเพียรไม่หยุดพยายามเนี่ยมันจึงต้องมาที่ความเพียรแ่เนที่เพียรละกลามาตัตนามันกลายเป็นว่าต้อง เพียนให้มันอินทรีย์มันแ ก, ก๋าแล้ว เ, เพียนปฏิบัติถ้าว่ามันจับได้แล้วมันไม่ยอมให้เข้าไปพักเลทีนี้ก็จะมาขึงเอาไว้มันก็มาขึงอยู่ที่ขนาน้านี่แหละพักก็พักอยู่ในงานนี้แหละไม่ดูไปด้วยอยากพักก็พักอยู่ในตัวในนี้สติมันก็จะแข็งแรงขึ้ น, นเข้มแข็งแข็งแก่ คือคือตอนนี้มันมันเป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องของอริยมรรล้ะสติเนี่ยมันก็ต้องมีความเพียรก็ต้องมีเนี่ยสมาธิก็ต้องมีปิติมีมันก็ปิติก็เป็นสมาธิถ้าพูดในแง่ของอริยมรร์กกหมายว่าเนี่ยพวกนี้มันเริ่มถ้ามันไปจมอยู่เพ่งอารมณ์เดียวมันไม่มีนะ ความเพียนมันก็ไม่มีอ่ะมันเหมือนกับไปแช่ไม่ต้องทำงานอะไรเนี่ยแต่เวลามันเดินมักมันจะต้องมีบางคนก็บอกว่าเอ๊ะแต่ก่อนบางคนเอ่เคยสงบเคยเป็นสมาธิอ่ะสบายแต่ทาไมเดี๋ยวนี้อะไรเกิดขึ้นรู้รู้รู้อันนี้มันเดินมักมันกำลังที่จะสร้างกำลังของมัศ ปติเขาต้องรู้ตัวอะไรเกิดขึ้นต้องรู้มีสติสัมปชัญญะความเพียรความพยายามเขต้องมีความมุ่งมั่นบากบันแก้วกล้าอดทนมั่นคงไม่ท้อถอยพร้อมจะ ก, ก้าวไปข้างหน้าไม่มีถอยหลังนี่นี่มันมันมากคมันเป็นอย่างนี้ ปัญญาก็ต้องสอดส่องให้รู้ให้เห็นมันไม่ใช่เมียไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเห็นว่าตจรักสัมมาทิจีก็เกิดสัมมาสังกัปปะมมันก็อยากเป็นอิสระขึ้นมาเองอะผมเห็นความเกิดเกิดดับเห็นไม่ใช่เราแล้วมันไม่อยากยึดอะไม่อยากติดข้องอะ ไอที่ไปพูดว่าเออนี่คัมมะสังกัปปะพยาปธาอภยาปธสังกัปปะวิหิงสาสังกัปปะมันเหมือนกับมันเบาไปเลยนะถือมันจะเจาะมหาจิตเนี่ยมันเหมือนกับทํายังไงมันจะเป็นอิสระทําไงมันหลุดพ้นไปทำยังไงมันไม่ยึดไม่ติดไม่คล้องอะไรติดข้องนิดนึงก็โอ้โห มันทรมานมีตัวตนขึ้นมานิดหนึ่งหลงผิดนิดหนึ่งโอ้โหเนี่ยมันยึงไม่อยากมันจึงอยากออกเพราะะั้นการดาเนินชีวิตเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะมันก็เข้ามาอยู่ในจิตอ่ะมันคอยจ้องดูอยู่อ่ะจะไปพูดผิดผิดไม่เอาแล้วไปทำผิดผิดไม่เอาแล้วอาชีพผิดผิดไม่เอาแล้วเนี่ย มันก็อยู่ด้วยกันน่ะความเพียรความพยายามความอดทนอยู่ในนั้นหมดอยู่กับจิตเราเลยก็มันแจ้งชัดไอ้ไภาณาคามีก็ละกรรมมาละ เ, าเรื่องเรื่องบวกกรรมมาละค่าได้หมดจดเลยปฏิฆะเนีย่ยไอ้กรรมมาละค่านี่มันมันก็ มาด้วยกันกับปฏิฆาพอไม่ได้อย่างใจมันก็เดือดร้อนคุณเครื่องเนี่ยเขาเรียกปฏิฆาเพราะนั้นพระโสดาบันเนี่ยถ้าพูดให้มันให้มันปฏิบัติง่ายๆก็คือพยายามละความยินดียินร้ายนั่นแหละยินดีก็รู้เสียยินร้ายก็รู้ปรับจิตให้เป็นกลางๆเรื่อยไปแล้วมันก็ถึงเวลามันก็ละสักยะทิฏฐิได้ลาวิจิกิจฉาได้ละศีลและปัจปรามาได้ เวลาปฏิบัตินี่ยมันก็คือมาแก้ไขเวลามันไม่ถูกใจขึ้นมามันมีตัวตนขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามเอาชนะใจตัวเองไม่คอยตามพยายามที่ยอมรับสิ่งแวดล้อมยอมรับชีวิตของเราเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกลางมันเป็นสมาธิมันเป็นปกติ มันจึงอยู่อยู่ถูกต้องเพื่อละความยินยินร้ายรู้เท่าทานจิตใจเนลเรามีความยินร้ายเกิดขึ้นเดี๋ยว็ต้องสู้กับตัณหาด้วยความอยากความต้องการเนี่ยเพื่อนำไปสู่การละละกรรมตัณหา ค่อยๆค่อยๆละไปตัวหยาบๆที่มันรุนแรงอ่ะเอามันก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นละตัวละเอียดเลยบางคนเนี่ยนู้นจะไปละการรมมราคาอัยทางหรือเพศรถอะไรนู่นพระนาคามีอันนี้ละได้สมบูรณ์พระนคร ต, น, ตนนี้ก็เอาตัวหยาบๆซะก่อนเพ่งเลงอยากได้ของเขาอย่างรุนแรงเห็นของเขาเนี่ยมันอยากได้เฉยๆมันไม่เป็นไรนะเพราะมันมันอยากได้แต่ไม่ได้ไปทําอะไร แต่ถ้ามัานอยากได้ของเขาเนี่ยมันเสร็จเลยนะเนี่ยมันจะเอาของเขาแล้วเนี่ยมันรุนแรงแล้วอย่างเงี้ยเพราถ้ามันอยากได้อย่างเขาบ้างก็ไม่เป็นไรอะ่ะเนี่ยมันมันยังไม่ไปผิดศีลนะผิดอะไรเลยนะแต่ถ้าอยากได้ของเขาวนเวียนอยากเอาของเขาเนี่ยตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วผิดศีลแล้วมันจะไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วถ้าไปทำตามมันเนี่ยผิดทั้งทางโลกทางธรรม บาปเกิดทันทีเลยนะพวกที่ทำผิดศีลเนี่ยไม่ได้ใครไม่เห็นก็าตามนะถูกบันทึกไว้ทันทีเลยนะเขาว่าบัญชีหนังหมาด้วยนะ <c oughs> ว, วันก่อนเนี่ยมีเด็กนู้อายุไม่กี่ขวบนะชี่ฉันประถมนะลุงปู่ครับเทวทูตคืออะไรครับ เขเลยบอกว่าเทวทูตเนี่ยคือยมพบาลเนี่ยพยายมกับพวกนายนิรยะบาลนี่เราเรียกว่ายมพบาลพวกนี้ก็เป็นเป็นพวกที่ยังไม่ถึงกับตรงนรกอะ่ะแต่กรรมมันกรรมมันต้องรอเวลาที่จะทําความดีช่วยมนุษย์มนุษย์ที่ไปเป็นเปรตเนี่ยเตรียมมนุษย์เนี่ยมันมั น, มนพอมันเกิดตั้บเป็นพวกเปรตเป็นพวกเปรตทีนี้กรรมของเขาเนี่ย มันยังมันยังไม่ได้หนักพอที่ตกนรกแต่ว่าแต่ว่าถ้าหากว่า ล, ลึกกรรมดีได้ก็จะไปสวรรค์ถ้าลึกกรรมดีไม่ได้ก็ไปนรกไอ้พวกนี้ก็จะมีหน้าที่ไปจับจับแล้วก็ไปหาพญายมเดี๋ยวก็ถามละ่ะพญายมก็ถามว่าเคยเคยเห็นคนเกิดไ้ยเด็ก เกิดมาใหม่ๆมมแดงๆร้องให้อุแว่อุ้แหว่แบบเบาเคยเห็นไหมเคยเห็นเจ้าข้าเห็นแล้วรู้สึกยังไงเขาจะถามเห็นแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรไม่ได้ทำความดีอะไรถ้าข้าว่าคนที่เขาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาหรือว่าการเกิดนี้เป็นทุก์ เพราะฉะนั้นเพื่อทำความดีเพื่อให้หาสแสงหาทางออกจากทุกข์ถ้าถ้าตอบได้อย่างนี้นะไปสวรรค์ทันทีเลยนะแสดงว่าทำให้มันอยากทากรรมดีอยากทำความดีแต่ถ้าหาว่าเห็นแล้วก็ไม่ได้ทำความดีอะไรเลยอะอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ละก็ถามต่อไว้อีก สุ้ายคนแก่ไหมเดินงงเงืง่อนนื่อนถ้าโตเห็นเห็นแล้วมันทําให้ได้ทําความดีอะไรบ้างไหมก็ไม่ได้ทําอีกเนี่ย <Yeah. S 1> นี่ก็ช่วยไม่ได้ต้องเตรียมลงนรกเขาก็จะถามต่อไปอีกเห็นคนเจ็บไหมช่วยตัวเองไม่ได้จมอยู่กับกองขี้กองเหี่ยวคนป้อนน้ําป้อนทุกทรมาน ก็ไม่ไม่ได้สํานึกอะไรไม่ได้ทำความดีอะไรเลยถ้าคนไหนได้ทำความดีนี่แค่นี้เขาก็หยุดถามละเป็นว่าไปได้ถึงคนตายไหมตายแล้วก็ไม่มีลมหายใจร่างกายก็มีเต็มน้ำไหลยเยอะมาว่าเต็มไปด้วยมูน้อน แหลงบางสุนัขบางสัตว์ต่างๆบางถึงไปเห็นแล้วทำความดีอะไรบ้างไหมไม่ได้ทำความดีอะไรเลยแน่หมดทางช่วยเหลือลวบางทีก็ยมพบาลก็สงสารกันซักถามไปมเคย ไปวัดบงังไม้เคยถวายนั่นนี่กระถามไปตามเรื่องเขาบางทีเขาเลลึกได้นะ่ะองค์เยาบาลเนี่ยเขาก็ถามมาบางทีคนนั้นลึกได้ก็ไปสวรรค์ได้มีต้องอาศัยความดีที่อยู่บนโลกมนุษย์ก็มีโอกาสที่จะไปสวรรค์ได้ถ้าไม่เคยทําความดีอะไรเลยเกิดเก่เจ็บตายก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่เห็นโทษในวัฏฏสงสารเลยนี่จมตกในรกก่าเดียว เอาบางทีกําลังสัพถามอยู่นี่นะยมพบาลมันก็เกิดความสลดสังเวชโอ้เนอะว่าตาสงสารยืดยาวนานอย่างนี้เลยเหรอทุกทรมานอย่างนี้เลยเหรอเจ็บปวดอย่างนี้เลยเหรอสลดสังเวชเขาก็ไปเกิดในแดนสวรรค์ได้ต่อมาก็อยากปฏิบัติธรรมได้เนีย่ยเด็กมาถาม เราก็เอนึกชังหอนใจอยู่ว่าไอ้หรือว่าเดี๋ยวนี้มันมีละครอะไรนะยมพบานเจ้าขาหรือไม่เคยดูสักทีนึงมันเป็นยังไงไม่รู้จบไปหรือยังก็ไม่รู้บางทีเด็กเขาอาจจะเคยเห็นหรือพ่อแม่เขาเล่าให้ฟังร่ไงก็ไม่รู้เราเคยอ่านเนี่ยในในเทวทูตสูตรนี่นะโอ้หอธิบายเรื่องนรกเวลาเข้าเวลาตกลงไปแล้ว ยมงพยบาลเนี่ยเขาทำอะไรบ้างอธิบายละเอียดเลยนะสรุปแล้วมีแต่หน้ากลัวแล้วเขาสรุปว่าใอ้ทุกข์ภัยหรือว่าบาปกรรมเหล่านี้ไม่มีใครทำให้ไม่ใช่บิดาไม่ใช่มารดาบิดาทำให้ไม่ใช่พระราชาทำให้ไม่ใช่ ครามทำให้ไม่ใช่อัมมาตททำให้ไม่ใช่พี่ชายน้องชายทำให้ไม่ใช่พี่สาวน้องสาวทำให้คือสรุปไม่มีใครทำให้เราทำเองทั้งหมดเดี๋ยวถูกบันทึกไว้โดยธรรมชาติเนี่ธรรมะของมูมติเจ้าเ่เป็นความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติ พงเอามาเปิดเผยเฉยๆคนที่มีปัญญาก็เชื่อตามพระพุทธเจา้าเป็นจริงทุกอย่างแน่นอนมันก็ต้องสลดสังเวชเองอยากทําความดีมีพื้นฐานทางจิตใจที่ดีอยากปฏิบัติธรรมอยากปฏิบัติธรรมก็ศึกษาคำสอนของพระเจ้าเข้าใจแล้วรู้วิธีแล้วก็เดินตามทางขององไกลไปเนี่ย ชาตินี้มันยังไม่พ้นก็ต้องเอาสร้างบา ร, รมีไปอย่างน้อยให้เราได้เดินตามทางของพระพุทธเจ้าต่อไปเรื่อยๆวันใดวันหนึ่งมันต้องบรรลุตามพระพุทธเจ้าไดเน่เหมือนพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุรมบันเดียวชาติเดียวเป็นเยเายี่สิประสงค์ขายแสนกับนู่นพระพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนา ม, มาเรื่อยๆ ดังความบัตรน้าก็เป่งวาจาด้วยต่อมาก็ได้รับพยากรณ์ปฏิบัติตลอดบางก็ผิดพลาดบกคล่องทำไม่ดีไม่ถูกต้องโตกนระกหมกไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลามันมีความทุกข์หรือผิดพลาดบกคร่องอย่าไปท้อใจ แต่ยอมรับความจริงแล้วแก้ไขเป็นนั้นว่าได้แก้ละกรรมเหล่านั้นอาให้เราดูตัวเองไปสักระยะหนึ่งนะอาเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะ้าพรนะเจ้าขอมอกายถวายชีวิต ค, คิดแด่พระพุทธเจ้าแด่ระธรรมแด่ประสงค์ขอมีพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึงที่ระลึกตลอดไปจะพยายามตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปคอยข้าวเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจงแทงตลอดในอริยสัจธรรมจนพ้นจากทุกเมวตะสงสาร้วยเธอ แล้วก็รวบรวมกำลังบุญของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะความอํานาจพระพุทธเจ้าอํานาจพระธรรมอานาจพระสงฆ์จงดลบันดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของข้าพเจ้าให้แก่ญาติเท ว, วดาที่รักษาและนายเวรของพ่อของแม่สามีพันยาลูกหลานพี่น้องผู้มิปคุณของข้าพเจ้า ให้แกดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กําลังต้องการบุญจากข้าพเจ้าอยู่ในขณะ น, นี้ทุกชั้นทุกภูมิขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าโดยเถิดเมื่อรับเอาบุญแล้วต้องการสิ่งใดคอยสมความปรารถนาะด้วยอํานาจแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศแห่แล้วนี้เมื่อสมความปรารถนาแล้วให้มาปกปัก ร, รักษาคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเพื่อนิ่ง ข้าพเจ้าทําสิ่งใดก็ให้มีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ยิ่งขึ้นไปได้เถิดข้าพเจ้าจะมันทําบุญแล้วคงที่บุญไปให้เรื่อยๆไปทำความรู้สึกว่าเต็มใจให้บุญนะแล้วก็เราอยากย้ําเผื่อแผ่บุญไปให้ใครที่ไหนได้หมดนะวันนี้พอแค่นี้นะ